ทีชายดาจบ้านสันติธรรมอ่าถอยู่ที่ไหนบ้านสันติธรบ้านสันติธรรมอ่าอยู่ที่ไหนอยู่เอ่อให้ให้ทีกษตรลงแลงแคลงเ้าค่ะหปูดปลั๊เิมให้ตาไปค่ะหปูดทองด้วยด้วค่ะ่อนให้ภาพไปพักเลยว่าอะไค่ะบนให้ภาพไปพักเลยเจ้าค่ะ หลวงปู่ทองท่านตอนเป็นมะเร็งทอยากพักแบบไม่มีญาติโยมมากท่านก็เลยไปพักที่บ้านอยู่หลายปีออืมันนี้ไม่มีใครนะตอนนี้ไม่มีใคร หรือว่ามามาฉันด้วยมาฉันด้วยแหละแต่บางทีบระองค์ท่านก็มาพักให้ตอนคืนหนึง<อ>่งนะแล้วก็เช้าท่านก็ฉันไม่าได<อ>้ในพวกญาติยงเขาก็จะได้มาทําบุญด้วย<อ>เป็นเหมือ น, เ ป, นเป็นเหมือนวัดเล็กๆอย่างไหละลลค่ะหลวงตาเคยบอกว่าเหมือนวัดในหมู่บ้านเยอะค่ะหลวงตามหาบุญท่านก็เคยไม่ตาไปาอือเป็นลักษณะยังไงที่พักก็เป็นกุฎปังหาค่ะ ก็บุญกรุดเล็กๆของหลวงปู่ฟักนะคะท่านแม่ตาดูให้เสร็จเรียบร้อยบอกเอาเล็กๆเอาสามูนสามเมตรอะไรอสำคันเนี่ยค่ะแล้วจะก็เป็นสองห้องบุญพระนะคะแล้วภายหลังเนี่ยตรงตรงส่วนของบ้านเนี่ยมันจะมีชานฉลายื่นออกไปหลังคาแยกนะคะอืก็น้องเขาว่าข้างบนน่าจะทํากรุดพระข้างล่างมันเป็นโรงทําเนี้ยฮะเวลาทำบุญก็ทำตรงตรงนั้นอืมันมันแยกออกมาจากบ้านหน่อยนึง แล้วก็ข้างบนก็ว่าเออทำหลังคาที่ไปอ้าวไหนไหนทำหลังคาก็ทําเป็นกรุดไปเลยเนี่ยนะคะแต่แรกหลวงปู่บอกว่าอย่าทําเสแตจแล้วสักพักหนึงหลวงปู่บอกทําให้ทําอืำก็ทําก็ไม่นึกอก็จะท่านอาจารย์ทองท่านจะมาเมตตาหรือก็หลายปีนะคะก่อนท่านเจอมอรณะภาพท่านอันนี้นก็เลยเรียกว่าเป็นกรุดท่านดันทองเลยออะืมแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปรบกวนท่านได้เออไม่ไม่เคยอย่างที่บ้านก็ไม่เคยครบกับแอม แต่ไม่ค่อยมีคนนั่นนะฮะถ้าถ้าคุบาอาจารย์อยู่แล้วก็จะไม่ไม่เปิดให้คนเข้าไปนอกจากเวลาตอนที่ท่านชันออค่ะยากจะไปทําบุญเราให้ก็ไปได้ค่ะแต่ไม่ไม่ไปทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าท่านอยู่ที่วัดเนี่ยจะจะเจอโยมตลอดแล้วมีที่เดินตรงกลมให้ท่านเดินนั่งก็แบอือเจ้าค่ะอืกูจะถ้าเออท่านอาจารย ้อะท่านจะออกมาเดินตรงระเบียงเป็นระเบียงรอบๆเลยรอบๆกุ่ิแลต่ท่านในการพักท่านจะเดินข้างหลังนะครับในการพักท่านจะมาๆไปๆพักคืนหนึ่งแล้วก็ไปท่านจะไปไหลาที่ค่ะมี่อยู่ช่วงเดียวเท่านที่ท่านพักแบบสีห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านมีคนอยู่คนเยอะไหมอ๋อคนมีอยู่ค่ะ แต่ส่วนมากจะจะขัดแคลนผู้ชายไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนมากก็พวกผู้หญิงค่ะก็แบ่งหน้าที่กันพี่ก็จะทํากับข้าวใช้ได้ะอค่ะคนฉันก็จะรับส่วนของฟานะอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะตอนนั้นมันต้องแบ่งกันเพรต้องดูข้อด้วยนะ่นนุะพอ่อยังอยู่นอนนอ น, น, อ, นอยู่ที่บ้านนอนเตียงออืแล้วก็จะอุบาจารย์ก็จะแวะเรียนมาก็จะดีใจมากพ่อก็จะได้ได้ได้สักพรเดิน้วย ได้ทำบิณด้วยแม่ก็ยังอยู่ตอนนั้นอือดีใจพ่อแม่ได้ได้ทำด้วยอืก็จะแบ่งกันเวลาหน้าที่คนนึงก็ทำคนหนึ่งผลผลาแล้วแต่ใครถนัดอะไระมีญาติยมที่รู้จักกันังมาร่วมกันนะ<ช>อ่ะใช่่ตอนใหม่ๆก็จะเป็นพวกพวกว่ายเจ้าเขาไม่เคยไปไว่ากันนะแต่เขาก็จะมาที่นี่ ทำไปหลายหลทีแล้วก็จำบีว่ามันเหนื่อยแม่จะหยุดเพราะหลวงปู่จันโสมบอกว่าจัดไปเลย<ม>เดือนล้ะ ห, น, หนึ<ม>่งหลวงปู่จันสงสมท่านเมตตาตอนนั้นหลวงปู่จันโสมกับหลวงปู่เหรียญท่านก็เมตตาไ ป, <ม> ไ, ปไปกับทุกเดือนแล้วแล้วพวกญาติโยมก็บพวกคุยเจ้าเนี่ยฮะมิ้นไม่ค่อยไปไหว้วก็มองเออเขเออเขชอบเราก็ไม่ได้แ<ม>ข่งมากอะไรให<ม>้เขาได้ทําบุญกันแล้วก็ตาหลังก็มีพวกญาติโยมทางสาย งานหากิ้งกิ้งตามวาัดเนี่ยค่ะก็ะได้ไปก็สะดวกเขาอ่ะเดือนละคนยังไม่เจออันนี้ยังมีอยู่เดือนละครั้งเลยเดือนละครั้งเนี่ยแ ต, นนตนน่ตอนนี้เจ้าของบ้านเริ่มแก่ไปเรื่อยเรื่อยท่านจ่แรงน้อยไปเรื่อยแล้วก็เอคนช่วยงานก็จะจะน้อยไปด้วยค่ะล่าสุดนี่ก็เด็กก็ออกไปแล้วก็กำลังท้อกันมันมันงานงานเยอะเหมืนอนกันนะคะเดือนละคนนี่เดือนนึงไม่เหนื่อยนะคะ เมื่อกอนไม่รู้สึกเหนื่อยมากในภากี่รูกอก็พระไม่เยอะนะคะก็อย่างองค์ที่มาประจำก็มีหลวงปู่โพเดี๋ยวนี้ท่านก็มาประจำแล้วค่ะคือเมื่อก่อนเยอะตอนนี้น้อยไปเรื่อยๆค่ะตัวอาจารย์ก็กลับมรณะภาพไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านมาค้างแรนด้วยเปล่าหลวงปู่โพท่านมาถ้ามาบางทีท่านก็มาพักที่ที่ที่บ้านนะที่บ้านจะพักได้สักเกี่ยวมั้ย ก็มีสองปุตหะก็ได้หลายองค์นะคะอย่างุดเพ่นจันทองจริงๆก็เมื่อกี้ตอนนั้นเพ่นจันทองอยู่หลวงปู่โพธิ์ท่านก็พักเอ็กซีสหนึ่งคือมันมีคัดิชั่นกันด้วยแล้วก็พรติดตามก็อยู่กันได้ก็สี่องค์ได้สบายๆค่ะส่วนฝั่งหลวงปู่พับก็ได้เหมือนกันได้สี่องค์ก็ได้อแต่แม่งก็คือแบบแน่นนิดหนึ่งของหลวงปู่พับอะค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์อท่านมาเพงเดินดูสร็ ที่ฉันเสื่อมมากเลยค่ะหลวงปู่หลวงไม่หลวงปู่หลวงก็เคยไปเด้ฉันมีที่ไปประจำท่านอาจารบุญกู้เนี่ยค่ะประจำท่านอาจารบุญกู้หลวงปู่ทองเมื่อก่อนนี้ท่านไม่มีขาดหลวงปู่ฟักไม่ทุกท่านจะบอกเลยที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถ้าชนกับงานบุญบ้านสันติธรรมท่านก็จะเมตตาเว้นเอาไว้ให้อะแล้วก็อีกองหนึ่งที่ฉันจําไม่ได้ ท่านอยู่ที่จังหวัดไม่ได้อีกเนี่ยมันเสื่อมขนาดนี้่ะท่านอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลามันจะมาเบูรณ์เจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่จับไหมคะงปท่านอาจารย์เบญพรรณท่านอาจารย์เบญพรนณใช่านอาจารย์เบญพรรท่านอาจารย์น้อยท่านอาจารย์เบญทันท่านก็เมตตาค่ะท่านอาจารย์น้อยมาด้วยฮะนี่ค่ะครูบาอาจารย์ก็ที่มาประจําก็ประมาณนี้แล้วน้องนั้นก็มีในงานหลวงปู่ดันนาเสา หลวงปู่หาท่านจะได้ตาไปบ้าง แ, แต่ที่มาเป็นประจําเดือนนี่มาครั้งละกี่รูปนะก็ประมาณเจ็ดรูปหรือสิบเจ็ดรูปอะไรอย่างนี้ยคะ่ะชันเช้าเนี่ยใช่ค่ะชันเนช้าแล้วก็จะพูดธรรมะให้ฟังใช่ก็แล้วแต่ว่านี้คนองค์ไหนนะค ะ, อ, ะอย่างเช่นที่แล้วนึกว่าหลวงปู่โพ ท, ท่านจะมาไม่ได้เพราะว่าท่านติดงานหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ทาไม่ได้ ที่พค่งพึ่งพึ่งเผาสังขานท่านไปหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงก็เคยเมตตาไปที่บ้านหลายฝนนะคะแล้วปรากฏว่าท่านอาจารโ์โพลท่านท่านตีรถเข้ามาค่ะดีใจมากเลยแต่ว่าพอดีหลวงท่านอาจารย์สุธรรมค่ะท่านเมตตาไปก็เลยนิมนต์ท่านเทพนึกว่าหลวงปู่โพลท่านไม่ไม่ไม่มาก็เลยกลายเป็นท่านอาจารสุธรรมเทพเมื่อคืนี่แล้ว อีฉัน้ฟังพระเทพมีทําเก่งมากอีฉันจะหลับได้ตลอดไม่รู้มันเป็นโรคอะไรบอกเดี๋ยวจะเอาให้ได้จะฟังให้ได้ได้ยินเสียงท่านอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งได้ยินแต่เสียงแต่จับใจความไม่ได้ท่านอาจารย์สติมันไม่ค่อยมีกําลังสติมันอ่อนมากพอจิตมันนั่งจะสงบมันก็ไลยหลับเลค่ะเอ ก็ไม่เป็นไรกสติไปสติไปก่อนก็ยังดีนั่งหลับก็ยังดีดีกว่านั่งฟุ้งซ่านโคตรอนาจารหรือให้มันฟุ้งซ่านดีกว่าไหมคะไม่ดีฟุ้งซ่านมันเครียดมันทุกข์ตัหลับดีกว่านั่งหลับมันสบายโอ้ยดิฉ <c oughs> ันมีความสามารถมากเลยนี่หลับเนี่ยอมันไม่ดีทั้งสองอย่างอแต่ถ้าให้เลือก <c oughs> ก็เลือกหลับดีกว่าดิฉันเคไปวัดหลวงปู่อม แล้วบอกเออเดี๋ยวคืนนี้จะไม่นอนนะแล้วก็คืนนี้เรารู้ว่าถ้าเรานั่งเราหลับแน่ mm. ก็ใช้เดินเอา uh. อุ้มชั่วพักห่งมันไม่ไหวขามเจ็บมากแล้ว่าอาจารย์ uh. มันก็เลยตอนนั้นประมาณตีสองฉันก็บอกว่าเอาห น, น่อยให้พักนิดนึงแล้วกันให้แกนั่ง mm. ก็ให้เราไปนั่ง mm. ให้าอาจารย์มันเหมือนหลับตาตาั้งแต่แล้วลืมตาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ mm. หลับตาแล้วลืมตา แ้่ท่านอาจารย์รู้ไหมคะมันหายไปเท่าไหร่มันหลับตาตอนนี้มันปีสองอมันลืมตามันปีสี่อะมันเป็นแค่หลับตากับลืมตาเนี่ย่ะมันเหมือนมันตป๊เดียวเองนะคะแต่มันหายไปสองชั่วโมงดิฉันหายไปไหนคะก็หลับไปดิฉันก็ไปฟ้องท่านอาจารย์แบร์ของเนี้ยหนูอะไม่ได้อะไรเลยหมดเสียใจมากเลยเนี่ยหนูว่าไม่ได้ไเลยเลยเนี่ย เสียศูนย์เปล่าท่านอาจารย์บอกว่าไม่หรอกไม่สูนยหรอกได้ความเพียรได้ความเพียรได้ความเพียรท่านบอกได้หลับ <laughs> ไปหลับ้ปหลับที่บ้านก็ได้ท่จารย์ก็ต้องอย่าใจร้อนทาไปเรื่อยๆกรุงโรไม่ได้สร้างในวันเดียวนิพานไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติครั้งเดียว เขาต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเป็นปีครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านบรรลุตั้งอายุหกสิบกว่ า, ว า, าประวัติของหลวงปู่มั่นไหมอือคยอพันธ์ทา น, านไม่ได้ขนาดตั้งใจหานว่าช่วงอายุหกสิบเจ็ดสิบท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวท่านไปบรรลุที่เชียงใหม่หลวงปู่มั่นเหรอคะตอนอายุหกสิบแล้วหกสิบ แ, แ, แล้วเหรอ่า อาณาท่านบวชตั้งแต่เป็นเดนมาเลยอชิตนีพราะท่านได้ตั้งแต่ท่านอายุยังน้อยอ่ะอพระท่านได้หลายขั้นเไยแต่ขั้นสูงสุดท่านไปได้ที่ชวยงใหม่มันมีหลายขั้นขั้นสมาธิขั้นโสดามันขั้นสกิดาคามีขั้นอาาคามีขั้นอารหนึ่งมันมีหลายขั้นอย่างพระอนุนี่ได้ขั้นโสดามัน ต้องยี่สิบกว่าปีเพาติดภารกิจรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่พอพระพุทธเจ้าท่านานิพพ า, านไปปั๊บผ้าเนนก็ไปปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุได้เป็นพ้าอารหันได้แต่ยี่ติดมายี่สิบห้าปีเพราะไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่งงแต่คอยรับใช้อุปถาพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของง่ายๆหรอกโยมเดินจงกรมแค่คืนเดียวก็จะให้เห็นผลเลยนี่มันเแต่ได้เดินก็ถือว่าได้ผลแล้วการได้ปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นผลอย่างหนึ่งแล้วอาจารยเหอ่าพิชัยถามมาหลายปีแล้วนะท่านก็ต้องไปเดินที่น่ากลัวเลยไปเดินในป่าช้าดูถ้าที่ไหนมันน่ากลัวมันไม่หลับ กล้าไปไหมกล้าไปไหมไปหาป่าชาไปนั่งในป่าชาก็ไม่น่าแต่น่ากลัวนนั่นเสีลองไปดูเลย <c oughs> มีสำนักบางแห่งเขาเขามีที่เขามีศพให้นั่งเลยนั่งคู่กับศพเลยอีกเช่นเคยไปนั่งที่วัดธนอาจารยฟ้าเค่<ฮ>ะไปถึงมันมืดแล้วอีกเช่นก็คิดว่าเออไหนๆมาวะภาวนาสักนิดหนึ่งก็ยังดีถ้าอยู่ในกุฏหลับแน่นอน ฉันก็เลยมันนั่งมันเดินจกงกลมที่ศาลางฉันที่รู้เรื่องเขาตั้งสอบอยู่ตรงนะั้นเดินใหญ่เดินเป็นเรื่องเวลาเลยเแล้วพักทำไมมันดังกุ๊กกุกก๊ถึงได้จุดเทนีนถึงได้รู้ว อ, อ, อ, อยู่ตรงนี้ทั้งโรงเลยเอศพมันไม่ขยับหรอกออที่ขยับมันก็ไม่ใช่เป็นศบหรอกสงสัจะเป็นแมวอยูอ่แถวนั้นะอ ถ้าศึกพยายาได้ก็ปาสจรรันนะเราต้องฝึกสติไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งนี้เราฝึกสติได้ตลอดเวลาเติรนขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปมันจะติดนะฮะต้นจารถ้าถ้าเอามันอย่างเงี้ยมันจะมันจะเข้าไปช่วยเราใช่วยสิมันจะมีสติมันจะเตื่นตลอดเวลามันจะไม่หลับอื มันจะไม่เผลอมันจะไม่ลอยติตมันจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยต่นขึ้มาเข้าห้องน้ำอาบน้ำล่างหน้าล่างตากับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเนื้อแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วประทานอาหารกับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดนะพุโทโธไปดีกว่า มาคนเดียวเลยพาพี่มาด้วยอี่พี่ชายนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วกลับอาจารย์หลายรอบอ่าไปมาหลายรอบแล้วที่ที่ว่าประจําเดือนนี่ตรงกับวันไหนจัดวันไหนเหมือนกับว่าอาทิตย์ที่สองของเดือนนะคะวันอาทิตย์ที่สองของเดือนของทุกเดือนอตอนแรกเราจัดอาทิตย์ที่สามของเดือนพอดีอะไรสํำนักแลลุงชินนะคะแกก็ตรงกัน ฮะมันตรงกันแกก็บอกให้เลี่ยงหน่อยเราก็เลยยอมเลี่ยงมาอาทิตย์ที่สามฮะแล้วาก็เลยเจอพวกสมคงสมการในอาทิตย์ที่สองอยู่เรื่อยเลยทีงท้ก็แบบหาพระยากนะท่านอาจารย์ถท่านอาจารย์ผ่านไปแถวนั้นในอาทิตย์ที่สองก็เมตตาอีกชั้นก็นหมนต์ร้อยเลยนะคะไ้ไปปวดญาติโยมทางนู้นนะเจ้าค่ะแล้วปกติไม่ยญาติโยมไปกันเยอะไหมก็เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเป็นร้อยถ้ไม่ค่อยมีก็แค่สองร้อยแต่ถ้ามีบางทีก็ สี่ห้าร้อยก็มีนะแล้วบ้านรับคนได้ขนาดนั้นนะก็เยอะอะฮที่กี่ไร่บ้านกี่ไร่เนี่ยที่เมันไล่นิดนิดเองไล่นิดนแต่ก็เราก็อยู่กันแบบเกษียนิดหนึ่งเบียดกันนิดนึงแต่ก็ก็ได้ะแต่ก็มองไม่เห็นกันนะฮะแล้วเรจอดไปที่จอดอย่ตามถนนน่ะค่ะลิงลิงทางบริเวณซอยนั้นก็ตามที่จอดเยอะยังต้องหลุตามมาน่าจะเจ็ดเจ็ดร้อยได้นะคะคือก็อีเกียงนะคะแล้วก็ แล้วก็แถวนั้นยัง ม, มีมีที่ว่างเยอะแล้วแล้วเขาถมที่ไว้เจ้าของพี่ก็ดีเหลือเกินว่าเออถ้าไงให้คนไปจอดทั้งนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือดีอะค่ ะ, ะแล้วก็เลยได้อะไรพะเราไม่ได้มีกําลังที่จะไปซื้อที่อะไรกว้างๆอะไรเงี้ยกะว่านิมนต์พามาพ่อแม่จะได้ทําบุญอยู่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อติดนอนเตียงอครูบาอาจารย์ก็เม่ตาไปโกรธ ไปก็มนการไปถวายอาหารค่ะไอ้ดิฉันตอนนั้นหลวงปู่ดีไปที่สวนแสงธรรมฉันก็ไปนิ ม, มนต์ท่านบ อ, อกเนี่ยพี่ชายไม่กล้ามานิ ม, มนต์เพราะว่าเกรงใจหลวงปู่ฉันอยากให้พ่อได้บุญดิฉันก็เลยมารบวนท่านท่านก็เมตตาไปจริงๆนะค ะ, ะไปแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยให้มาเบิรกก็มาเบิรกแล้วเด้าอิอ <laughs> ฉันก็เลยก็มาไปกราบขอบพระคุณ พ่ก็เลยได้ได้จริงๆหลวงหลงปู่เคยไปไปกับหลวงตามมาหาบัวแต่อีฉันไม่ทราบว่าหลวงปูม่มาอืก็เลยไม่ได้เตรียมที่้ท่านท่านก็ท่านง่ายง่ายเลยนะคะท่านก็ไปนั่งข้างๆกุวดที่หลวงปู่ฟักนะคะพอหลวงปู่ฟักเอาไปอยู่ข้างนอกแล้วหลวงตาก็ไปพักในกุวดของปู่ฟักนะคะหลวงตาท่านมาจากที่อื่นแล้วท่านคงเพียอืท่านก็เลยจาําวัดสแป๊กนึ่งนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าปุรีมานั่งอยู่ข้างๆกุวด เอาเสือปูที่พื้นหูนี่เราเราไม่รู้เรื่องเรายุ่งด้วยนะคะาอาจารย์คนก็เยอะด้วยเพราะนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยคือไม่ได้ดูแลพระไม่ทั่วหลวงตานั่งก็คยมานอนที่ศาลานี่เลยคอตระนี้นอนตรงนี้เลยเออามาที่นีนั่งเลยนะคะอ๋อไม่หรอกมันกดลาวาละแล้วเป็น๋ยวเล่าให้ฟังท่านก็ง่ายๆท่านเดี๋ท่านยังมาพักสักคืนหนึ่งทันที่มาที่ศาลาเนี่ยเอาพักที่ตรงนี้ อะเลยไปหตรงนี้มไม่มียุงหรอเจ้าคก้ามุ้งอะไรมากลางมุ้งเอาเสือเราไป่เย็นนะคะอ่าท่า น, นไม่ต้องการให้ไปจัดกุฏิให้ยุ่งยากพ า, พาป่าท่านง่ายท่านอยู่ง่ายกินง่าไม่เรื่องมากไม่ต้องไม่ไม่ต้องระวังไม่ต้องมีพรมไม่ต้องมีอ่อะไรชามอะไรถ้วยชามอะไรต่าง อีฉันแยกนะคะช่วยเช้าเคยคือช่วยเช้าปันนะก็แยกต่างหากหลวงปู่อ้อมสอนไว้ค่ะเดี๋ยวฉันก็เคยตาลบกับท่านว่าองค์ที่สอนน่าไม่ค่อยมาอีกฉันก็เลยแบบคือเราจะเค่งว่าห้ามเอามาปนเด็ดขานะก็เลยเหมือนกับหงุดหงิดนะคะท่านก็บอกว่าเอ้าก็อย่าไปหงุดหงิดอย่างนั้นก็คือให้รู้ท่านเองว่าแยก แต่ว่าถ้ามันพลาดหน่อยก็ไม่เป็นไรจริงๆมันอยู่ที่ใจมากเลยนะคะท่านอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันก็ออกมาจากใจเร<ช>าดังนั้นเราจึงต้องคอยมีความระมัดระวังเพราะความระมัดระวังมันเป็นสติเป็นปัญญาใช่ที่ครูบาอาจารย์สอนให้ระมัดระวังให้ทำอะไร ปการสอนให้มีสติให้มีปัญญาเพราะเวลาเราระมัดระวังเราก็ต้องคอยดูว่าเรากำลังทำอะไรทำถูกหรือทำไม่ถูกอันนี้ก็เป็นปัญญา ร, ร, รู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกนี่ก็เรียกว่าปัญญารู้ว่ากำลังทำอะไรก็เรียกว่าสติมันต้องมีสติมีทั้งปัญญาครูบาอาจารย์นั่นจะสอนเนี่กับลูกวัดป่านี่ท่านจะคอยสอน ให้มีความระมัดระวังเวลาทำภารกิจอะไรต่างๆไม่ได้ทำแบบกระตตกกระตากเสียงก็ทึบกึกโคมทำอะไรนิ่เงียบไม่ให้มีเสียงดังมการที่ทให้เสียงทาอะไรให้มันเงียบกับทำมาให้เสียงดังนี้อันไหนมันง่ายกว่ากันทำให้เสียงดังมันง่ายกว่าแสดงว่าทำแบบไม่มีสติทำยังไงก็ได้ ถ้่ท่าจะทําให้มันเงียบนี่ไม่ต้องระวังเวลาขบเวลาฉันนี่โอ้ยอยู่กับท่านนี่ท่านต้องเงียบขนาดเคี้ยวนี่ไม่ให้ดังเสียงดังเลยการไปเคี้ยวของกอบๆเข้านี่ไม่กล้าเคี้ยวเลยเคี้ยวสักสองสามคำนี่ท่านได้ยินท่านมองหน้ามาเพราะพริศเจ้านี่เหมือนกับสอนให้พระมีข้อวัดปฏิภัณเนี่กับเจ้าชายนะเจ้าชา พระเรียบร้อย <hein. S 2> มากพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสวยงามมากน่นเป็นเจ้าชายสอนให้พระเป็นเป็นบุคคลที่น่าเคารพเลื่อมใสคือนอกจากมีศีลแล้วก็ต้องมีจริยวัดที่สวยงามไม่ใช่เป็นคนธรรมดาการเป็นพระจึงไม่ใช่ของง่ายมันกาอนมีคนถามว่า พอบวดปั๊บแล้วขอไปอยู่คนเดียวเองตามลําพังได้ไหมบอกไม่ได้หรอกเราบวชเพียงแต่โกนหัวนุ่งเขาของเขาแต่สันดานวิสัยเรามันยังเป็นเล็งอยู่เราต้องไปฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าถึงสั่งให้พระใหม่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพันษาไปอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะยังไม่รู้วิธีวิถีชีวิตของพระว่าท่านกินท่านอยู่ท่านทําอะไรแบบไหน แต่กิเลสมันชอบเป็นใหญ่เป็นโตถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์มันจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นเนนถ้าไปอยู่คนเดียวก็จะเป็นหัวหน้าเสียงเมื่อกีนี้ก็ดีแล้ว น, นี่เปิด น, น้ำอีกหน่อยฮะเ <c oughs> มื่อกี้ไปรถมันี่ย การทําอะไรเนี่ยต้องทําอย่างระมัดระวังให้รู้อยู่ทุกขณะว่ากําลังทำอะไรเช็ดช่วยเช็ดชามเนี่ยเวลาวางช้อนวางอะไรต้องไม่มีเสียงไม่ใช่เช็ดช้อนวางตึ้งเช็ดช้อนวางตึ้งเช็ดเสร็ก็วางเบาๆวางเบาๆไม่มีเสียงแสดงว่ามีสติทํานี้แบบมีสเต็จทำ ถ้าทำแล้วไอ้นั่นก็หล่ไอ้นี่ก็ดังแสดงว่าทำแบบไม่มีสติบางทีทำไปแล้วก็คุยกันด้วยยิ่งไปใหอ่ยนี่ไม่มีสติใหญ่ถ้าปฏิบัติเนีเรามาทำงานร่วมกันที่ชันไม่คุยกันต่างคนต่างมีหน้าที่ทำของตนเองดูตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังกวาดก็กวาดกันไปถูก็ถูกกันไปไม่คุยกัน ชาวบ้านไม่รู้คิดว่าภาคโกรธกันไม่คุยกันถามว่าภาคทาไมเขาถึงไม่คุยกันเลยไม่ทักทายเลยโกรธกันหรือเปล่าไม่หรอกภาคเขามีสติเขาคอยเฝ้าดูงานที่เขากำลังทําอยู่ถ้าเขาคุยกันเขาก็คุยกันแบบมีสติเขาก็ไม่ตะโกนวกกว่าเรียกกันเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยคุยกัน ไม่ใช่อยู่ตรงนี้คนนอนอยู่ตรงนั้นตะโกนเอ้ยทำอย่างนุ่นนี่ทานี่แห<ำ>ละจริยาว่าของพระไม่เหมือนกับของโยนถ้าไม่ไปอยู่กับคูบาาจาย์จะไม่รู้เรื่องราวเหล่า น, นี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นเรื่องแบบใหญ่โตทำให้บรรลุมากผลผนิพพานแต่มันก็เป็นความสวยงาม แล้วก็เป็นการเจริญสติเจริญปัญญาสำหรับคนที่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญานี่มันก็หันขันยิ่งอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ยิ่งระมัดระวังใหญ่เพราะถ้าทำอะไรไม่ดีไม่ถูกท่านก็ใส่เลยท่านก็เตือนเลยพเวลา เวลาฉันที่วัดป่ามั่นตานี่เวลาอยู่ตอนหน้าหลวงตานี่ทุกคนไม่เครียดกันหมดเทุกคนระวังตัวสั่งอะไรนี่ต้องคอยฟังให้ชัดท่านตักท่านเอาอาหารที่ต้องถวายให้ท่านเสร็จท่านก็จะให้พระเอาไปตักใส่บาตรพระบางทีท่านก็บอกให้พระไปใส่องค์นี้กลับมาทางนี้องนี้บอกให้ใส่มาทางนี้ ถ้าสั่งแล้วไม่ทําตามท่านดูเดี๋ยวท่านใส่แล้วเอ้เมื่อกี้บอกให้ทำอย่างนี้ทําล้ไม่ทําธิบายว่าไม่มีสติไม่มีสตังเลยนะี่คือการฝึกฝึ ก, กจิตฝึกเรื่องสติสตินี่เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วทําอย่างอื่นเกิดไม่ได้ต้องมีสติ คนไม่มีสตินี่ทำอะไรไม่ได้คนไม่มีสติคืออะไรคนตายคนนอนหลับคนเมาเหล้าคนบ้าคนเสียสตินคนบ้าพวกนี้เขาไม่มีสติกันเขาถึงไม่สามารถทำสิ่งที่คนมีสติทำได้งานที่ละเอียดนี่สติต้อง ต้องมีมากขึ้นงานอยาบนี่สติน้อยพวกคนที่ใช้แรงงานกรรมกรนี่ยไม่ต้องใช้สติมากแต่คนที่ต้องทํางานแบบเป็นช่างเป็นอะไรนี่ต้องใช้สติมากกว่าเพราะว่าความละเอียดของงานมันมีมากกว่าต้องใช้สติใช้ปัญญามากกว่ากันก่อนที่เรียนหนังสือ เก่งหรอไม่เก่งก็อยู่ที่สติถ้าสติไม่ดีเวลาอาจารย์สอนก็ฟังไม่ไม่ได้ฟังบัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าไม่มีสตินะพอเวลาสอบก็สอบไม่ได้ทําการบ้านก็ทําไม่เป็นเพราะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาครูสอนมีสติคอยตั้งใจฟังก็จะรู้ว่าครูกำลังสอนอะไรพอไปทําการบ้านก็ทําได้ อไปสอบก็สอบได้ได้คะแนนดีเนี่ยคนเราที่เรียนเก่งไม่เรียนเก่งก็อยู่ที่สติเนี่ยถ้ามีสตินี้จะเรียนเก่งถ้าไม่มีสติจะเรียนไม่เก่งแล้วคนที่จะเรียนสูงก็ไม่สูงก็อยู่ที่สตินะบางคนเรียนแค่ม .6 ก็ไม่ไหวละหมดกาลังละไม่อยากจะเรียนละบางคนก็ไปต่อเป็นญาตีได้ บางคนก็ต่อปริญญาโทบางคนก็ต่อถึงปริญญาเอกได้อยู่ที่กําลังของสติที่จะคอยควบคุมใจให้ตั้งใจเรียนหนังสือถ้าไม่มีกําลังก็เรียนไม่ได้บางคนพอจบปริญญาตรีพอแล้วอยากจะเอาอยากจะปล่อยใจให้มันไปเที่ยวแล้วให้มันไปเล่นเพราะเวลาเรียนนี่มันต้องคอยควบคุมบังคับใจ ให้เรียนให้ให้ศึกษาให้จดให้จำมันก็เป็นการควบคุมใจใจมันมีกิเลส ท, ที่ไม่ชอบไม่ควบคุมกิเลสมันชอบไปเที่ยวไปอะไรตามความอยากของมันชอบไปหาลูกเสียงกลิ่นรสชอบไปทำอะไรที่สนุกสนานเฮฮาแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีรายได้ พอาเรามันต้องมีรายได้เพราะเรามีรายจ่ายกันร่างกายของเรานี้มันต้องให้เราจ่ายเลี้ยงมันต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีอาหารมีที่่าศสยมีเครื่องนุ่มหมมียารักษาโรคเป็นรายจ่ายทั้งนั้นแล้วถ้าเราไม่มีรายได้เราก็จะเดือดร้อนอาจจะกลายเป็นมิจฉาทีฐไปเมื่อไม่สามารถ หาทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตก็ต้องใช้วิชาวิชาชีพนะค้าขายผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรืชอช่อโกงรักขโมยเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการไม่มีสติสติมีน้อยคนสติมีน้อยจิตใจจะไหลลงต่ำได้ง่าย คนที่มีสตินี้จะไม่ไหลลงต่ำเพราะจะรู้จะคอยควบคุมคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาพอจะไปทำบาป ก, ก็ไม่ทำละคนที่มีสติก็จะรู้่ะทำไม่ได้แต่คนที่ไม่มีสตินี้พอจะทำบาป ก, ก็ทำเลยโดยไม่รู้สึกตัวฉนั้นการฝึกสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เน่คุณมีประโยชน์มากสติเป็นกุญแจสำคัญของการเจริญทำอื่นเช่นสมาธิปัญญ า, าสีมาการทำบุญทำทานก็ต้องมีสติคนกินเมาคนกินเหล้าเมาแล้วไม่มีสติก็ไปทำบุญไม่ได้คนเสียสติก็ไปทำบุญไม่ได้ค น, ไไไดคนนอนอดึก ตื่นสายก็ไปทำบุญไม่ได้ไม่มีสตินอนคนที่จะไปทำบุญนี่ต้องมีสติถึงเวลาก็ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาถึงเวลาต้องไปทำบุญแล้วต้องรีบตื่นขึ้นมาร <c oughs> ักษาศีลก็ต้องมีสติต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังพูดปดหรือไม่พูดปด เรากำลังเอาของของหนึ่งเข้ามาหรือว่าเป็นของของเราเราไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนหนึ่งเขาหรือเปล่าเราตบยุงหรือเปล่าเนี่ยมันจะยมยุงย่งมอเกาะปั๊บตบปุ๊บเลยเนี่ยแบบไม่มีสติอัตโนมัติถ้ามีสติก็เพียงแต่ไล่มันไปมือถูไล่มันไป า ม, มีสติก็ปุ๊บเลยตบปัวเลยเนี่ยรักษาศีลไม่ได้ก็เพราะไม่มีสติถ้ามีสติมันจะรักษาได้พอจะไปเปิดขวดเหล้าก็รู้ว่ากาลังไปเปิดขวดเหล้านะก็หยุดทาไม่ได้รักษาศีลอยู่ <c oughs> ยิ่งรักษาศีลแต่ก็ยิ่งมีต้องมีสติมากขึ้นอีก เดี๋ยวจะกินข้าวหลังเที่ยงวันก็กินไม่ได้นะคอยกินอยู่เลยบาที่กินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยเดี๋ยวบ่ายยังไม่ถึงเงย็นก็อยากกินเียก็หาอะไรคว้าอะไรมากินก่อนถ้ามีสติก็กินไม่ได้หยุดมันถ้าไม่มีสติก็รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิถ้าไม่มีสติก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วใจก็คิดฟุ้งซ่าน ไม่งั้นก็หลับนั่งแล้วก็หลับสับงบหลับไปไม่ได้ผลนานั่งในใจต้องไม่คิดอะไรใจต้องอยู่กับงานของการภาวนาจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปจะอยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปถ้าอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็สงบได้ หรถ้าอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบได้แต่ถ้าอยู่กับพุโทโธได้สองสามคำแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีกว่าจะกลับมาหาพุโทโธก็หลายนาทีบางทีก็ไม่อยากจะนั่งนะพอคิดมากแล้วมันคิดอยากจะลุกไปทำํำนู่นทํานี่ขึ้นมาก็เลยนั่งไม่ได้ ถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะนั่งไปได้นานเพราะไม่มีอะไรมาลืงให้มันไปทําอะไรต่างๆใจไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ส, นนสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไม่มีความอยากที่จะไปทําเรื่องนั้นทําเรื่องนี้ทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ก็จะนั่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้ ัญญาก็ต้องมีสติพิจารณาอะไรก็ต้องมีสติรู้ว่ากำลังพิจารณาเรื่องอะไรอยู่ไม่ใช่พิจารณาปั๊บเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะต้องพิจารณาอย่างต่อเ น, นื่องพิจารณาร่างกายก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆรื่ยร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นอาการสามสิบสองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้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 ในร่างกายมีอาการ32ตัวเราไม่มีตัวเราหน้าตาเป็นยังไงก่ตัวเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีตัวเราคือใครตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดเราคิดถึงมีเราขึ้นมาพอคิดว่าพอคิดว่ามีเราก็มีเราขึ้นมาพอหยุดคิดเราก็หายไปเรามาจากความคิด เราไม่ได้อยู่ในร่างกายค้นหาดูเสียว่าเราอยู่ตรงไหนสมัยนี้คนก็มีการเปลี่ยนอวัยว ะ, ะมีข่าวมีฝรั่งนีลูกชายตายแล้วก็มีคนแก่ต้องการหัวใจมีเขาเขาเลือดเข้าตรงกันชเปลี่ยนได้เขาก็เลยเอา หัวใจของลูกชายของคนตายคนที่ตายเนี่ยเป็นลูกชายไปใส่ที่คนแก่แล้วพ่อแม่เขาก็ไปฟังหัวใจลูกเขาเต้นที่ที่คนแก่คนนี้แล้วบอกลูกฉันยังอยู่ในนี้อยู่ก็ยังคิดว่าหัวใจนี่คือลูกของเขาหัวใจมันยังเต้นอยู่แต่ไม่ได้เต้นอยู่ในร่างกายของลูกชายแนะ ย้ายไปเต้นอยู่ในร่างชายในร่างกายของคนแก่ที่หัวใจของเขาหัวใจเก่าเขาเสียแล้วแล้วเขาก็ไปฟังหัวใจเต้นที่หน้าอกของคนแก่นี่แล้วก็หวอกาลังฟังหัวใจของลูกเขาเขาคิดว่าลูกของเขาตอนนี้อยู่ในร่างกายของคนนี้จริงลูกเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลูกเขาเป็นดวงวิญญาณ เขาก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วเดี๋ยวต่อมาเขาก็จะได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ใจเรานี่เป็นคนขับเราหาตัวเราเจอไม่ในรถยนต์เนี่ยเราขับรถเราคิดว่าเราเป็นรถยนต์เนี่ยแล้วเราหาตัวเราดูว่าในรถยนต์นี้มีตัวเราตรงไหนอยู่ที่ล้ออยู่ที่พวงมาลัยอยู่ที่ลูกสู อยู่ที่เครื่องยนต์อยู่ตรงไหนไม่มีตัวคนขับไม่ได้อยู่ในรถยนต์ตัวคนขับขึ้นมาขึ้นม า, น, มานั่งในรถแล้วก็ขับไปใจนี้ก็เหมือนกับตัวคนขับร่างกายนี่มามามาเกาะติดกับร่างกายอันนี้ใจส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกาย กระแสะใจกระแสะจิตเรียกว่ากระแสะวิญญาณทั้งห้าคื อ, อวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายพอมาเกาะรับก็รับสัญญาณจากร่างกายไปพอมีรูปใจก็ได้เห็นรูปตาก็จะส่งรูปผ่านทางตาเข้าไปให้ทางใจที่หนึง แต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกกระทาแต่ใจอยู่ในโลกทิพย์เหมือนตอนนี้ญาติโยมที่กําลังติดตามถ่ายทอดสดนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เห็นเหตุการณ์ที่นี่ได้ยินเสียงจากที่นี่ แต่คนที่ติดตามดูนี่อยู่ที่เอเมริกาก็มีอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีอยู่ที่กรุงเทพก็มีอยู่ทั่วไปหมดเนี่ยวันนี้มีคนมาดูสามร้อยกว่าคนไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เหมือนกับเขาอยู่ตรงนี้เขาเห็นอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ตรงนี้เห็นเขาได้ยินอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ตรงนี้ได้ยินแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนี้ เขาก็ไม่ได้โดนด้วยถ้าเกิดระเบิดตูมขึ้นมาตรงนี้คนตรงนี้ตายหมดคนดูเขาไม่ได้ตายไปกับสถานที่นี้จิตก็เหมือนกับคนดูเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายเองแต่ร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปไปถ่ายเอาภาพแล้วส่งไปให้คนดูดูอีกที่หนึง่งที่ฝรั่งเศสเงื่อ เวลาคนดูเป็นอะไรตายไปคนที่ฝรั่งเศสไม่ได้ตายไปด้วยอใจยไหมเวลาร่างกายนี้ตายไปใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันก็เลยไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจมันอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ ใ, ใจของวเราทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนี้ใจของวเราอยู่ในโลกทิพย์กัน เพียงแต่ว่าเราส่งกระแสใจม า, มารับรู้ส่งกระแสใจมาเกาะที่ตามารับภาพมาเกาะที่จมูกเกาะที่ลิ้นเกาะที่หูเกาะที่ร่างกายพออะไรมาแตะร่างกายเราก็รู้เลยมีของแข็งของนุ่มมีความร้อนความเย็นมาแตะที่ร่างกายเราถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราก็รู้ได้ เหมือกับคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพอเราพูกระไรยปั๊บคนที่บ้านก็ได้ยินคนที่อยู่ทางบ้านคนที่เขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เขาก็ได้ยินเขาก็ได้เห็นเหมือนกันเห้นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้ว่าใจถึงไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอร่างกายตายไปปั๊บกระแสการติดต่อก็ขาด ตามันไม่ส่งภาพไปแล้วใช่ไหมตามไม่ทำงานหูไม่ทำงานอะไรไม่ทำงานหมดเหมือนกับเครื่องนี้พอปิดเครื่องปั๊บก็ไม่รับภาพไม่รับเสียงอะไรคนที่อยู่ทางบ้านก็ดูไม่ได้แล้วคนที่อยู่ทางบ้านก็ต้องไปทำอย่างอื่นใจพอไม่มีร่างกายก็ต้องไปทำอย่างอื่นก็ทำแบบตอนที่นอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับใจทำไรรู้ไห ใจก็ฝันไงใช่ไหมใจไม่ใช้ร่างกายไม่ได้ดังนั้นร่างกายปิดเครื่องชั่วข่าวพักผ่อ น, นเวลาที่เรานอนหลับก็เหมือนปิดเครื่องโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เมื่อใช้โทรศัพท์ไม่ได้ก็จะคุยกับใครก็ต้องเดินไปคุยกับเขา อ, อันนี้ก็เหมือนกันพอไม่มีร่างกายพอร่างกายพักผ่อนใจก็ไปฝันเลฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันไม่ดีก็ไปนรกเนี่ย แล้อะไรทำให้เราฝันดีฝันไม่ดีก็เวลาเราทําบุญเราฝันดีเพราะเราทําแต่สิ่งที่ดีเวลาเราทําอะไรไว้มันก็จะอัดเทปไว้ในใจเราพอนอนหลับมันก็เปิดเทปให้เราดูเวลาเราทําบาปมันก็จะอัดเทปไว้พอเวลานอนหลับมันก็จะเปิดเทปมาให้เราดูมันก็จะให้เราดูเรื่องที่ไม่ดีเวลาเราทําบุญมันก็จะให้เราดูเรื่องที่ดี นี่เกิดใจที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ว่ามีกระแสวิญญาณมาเชื่อมกันเพื่อมารับข้อมูลต่างๆผ่านทางร่างกายรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับอะไรต่างๆแล้วพอรับเราก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์กับรูปเสียงที่ได้รับเหมือนคนทางบ้านเนี่ยถ้าได้เห็นได้ยินเสียงที่ดีก็มีความสุข ถ้าได้ยินเสียงไมดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามีเกิดร่างกายกับใจเป็นเป็นสองคนใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างมันก็เลยไม่เกิดไม่ดับมันไม่มันไม่มีการตายเพราะว่ามันไม่มีไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกายร่างกายเป็นสังขารเป็นสุมีเป็น เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวดินน้ำลมไฟมันก็บอกว่าจะบายบายดิน ม, มันก็อยากจะกลับไปหาดินน้ำก็จะกลับไปหาน้ำลมก็จะกลับไปหาลมไฟก็จะกลับไปหาไฟตอนนั้นก็เรียกธาตุสี่ก็แยกออกจากร่างกายไปร่างกายก็หายไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราต้องพิจารณา ให้เข้าใจให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะบายบายเราไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะแยกทางกันเวลาดินน้ำนมไฟในร่างกายมันจะไปกันคนละทิศละทางเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลาไม่สบายแต่เราไม่ต้องไปไม่สบายกับมัน เพราเราสบายเราไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้าโทรศัพท์โทรศัพท์เสียก็ช่างเหมือนอะไรก็ไปซ่อมทำไมเจ้าของโทรศัพท์ต้องมาหมุดหิดด้วยหุดหิดเพราะว่าใช้มันไม่ได้อยากจะใช้มันแล้วใช้ไม่ได้ก็เลยไม่แฮปปี้ต้องออกไปซ่อมหรือต้องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ถึงจะแฮปปี้ แต่ถ้าเราไม่ใช้มันเราก็ไม่เดือดร้อนมันจะเสียไม่เสียเราก็แฮปปี้ได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่ต้องใช้มันตอนนี้เรามาใช้ร่างกายเราก็เลยไม่แฮปปี้เวลามันไม่สบายถ้าเราไม่ต้องใช้มันเราก็เฉยๆเราก็ไปฝันเราก็ไปเที่ยวในฝันได้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้เวลานอนหลับเห็นไหมเราไม่เห็นบ่นว่าไม่แฮปปี้เลยหลับก็หลับไปกูก็ไปของกูได้ กูก็ไปเที่ยวได้ <Yeah. S 1> ปรเด็นว่าไปเที่ยวตามบุญตามบาปเท่านั้นเองถ้าทำบาปก็ฝันร้ายฝันว่าไปเจอใหรการที่ไม่ดี <Yeah. S 1> ต่างๆเจอภัยอันตรายต่างๆ <Yeah. S 1> ถ้าฝันดีก็เจอแต่ถ้าทำบุญก็จะฝันดีฝันว่าโอ้ได้เจอคนดีได้เจอสิ่งที่ดีได้ทำอะไรดีๆอะไรต่างๆเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. เวลาตายไปมันจะไปมันจะไปฝันก่อน ฝันจนปลามันจะได้ร่างกายอใหม่พอได้ร่างกายออกมาพอคลอดออกมาจากท้องก็เตินขึ้นมานี่คือการเปลี่ยนร่างกายของพวกเราพอร่างกายเก่าเสียแล้วทำไงก็ตายมันก็หยุดใจก็ไปฝันเหมือนนอนหลับไปเวลาตายก็เหมือนนานหลับดีๆนี่เองแล้วก็ไปฝันดีฝันร้ายแล้วแต่บุญแต่บาป ท, ที่เราทำไว้พอฝันใจนก็ทั้งหมด หมดแรงฝันแล้วหมดกําลังของบุญของบาปแล้วก็ไปได้ร่างกายในท้องแม่ที่กําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนหรือถ้าเป็นหมาก็อาจจะสามเดือนหรือหนึ่งเดือนก็แล้วแต่แล้วพอพอคลอดออกมาก็ตื่นลืมตาหรือนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ตอนนี้เป็นฝรั่งเศสคราวหน้าอาจจะเป็นจีนก็ได้ตื่นขึ้นมา เนี่ยจะเป็นไทยก็ได้เพราชอบคนไทยชอบมาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเกิดหลังจากมาเกิดเป็นคนไทยก็ได้อนี่แหละคือเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เวลาตายก็เหมือนนอนหลับแล้วช่วงที่ร้อนนอนนอนรับร่างกายใหม่ก็ฝันไปฝันไปจนกว่าจะหมดแรง ของบุญของบาปแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วพอข้อออกมาก็ลืมตาขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่แต่ก็จําะจำไม่ได้ร่างกายอันเหมาว่าเป็นใครละลืมไปและเพราะบางทีมันนานกว่าจะมาได้เกิดอีกทีนั่นแหลมันไม่ใช่เหมือนกับนอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นบางทีนอนคืนนี้อีกร้อยปีก็ตื่นขึ้นมาใหม่ได้ร่างกายอันใหม่เลยจําร่างกายอันเ ก, ก่าไม่ได้ แลตอนเกิดมาใหม่ๆก็ไม่รู้เยงสาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอีกเราก็เลยจำไม่ได้ว่าร่างกายของเราอันเก่าเป็นอะไรนี่คือพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้เราปล่อยวางแล้วให้เราอย่าทาบาปใหเราทาบุญถ้าเราอยากจะนอนหลับฝันดีตายแล้วฝันดีก็ทำบุญอย่าทาบาป ถ้า ต, ตายแล้วฝันร้ายก็ทำบาปไปแล้วเดี๋ยวพอเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายใหม่ถ้าไม่อยากกลับมาเกิดก็อยากไปใช้ร่างกายให้อยู่เฉยๆอย่างที่สอน <S <S 1> <S 1> ให้อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะไม่ต้องการร่างกายอันใหม่แล้วเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วถ้ายังใช้ร่างกายอยู่เดี๋ยวตายไปก็ต้องไปเอาร่างกายอันใหม่เหมือนถ้ายังใช้โทรศัพท์นี้อยู่เนี่ยพออันนี้เสียต้องไปซื้อใหม่เปล่าใช่ไหมซื้อใช่ไหมเอเพราะยังต้องใช้มันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ต้องใช้มันแล้วคุณจะไปซื้อใหม่ เหมือนกันร่างกายก็เหมือนโทรศัพท <the> ์นี่แหละถ้าเราเลิกใช้มันเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ตอนนี้เรายังใช้ร่างกายเพราะเรายังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายถ้าเราเลิกเรื่องเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเราเลิกใช้โทรศัพท์ได้ไม่ต้องติดต่อกับใคร มีไว้ทำไมเกะ ก, กะเปล่าๆยุ่งยากเปล่าๆมีแล้วต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ถ้าไม่ใช้มันก็สบายร่างกายนี้ก็มันมีแล้วก็ต้องเลี้ยงมันต้องหาข้าวให้มันกินต้องหาน้าให้มันดื่มต้องหายใจหาลมหายใจให้มันแล้วยังต้องอาบน้ำให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มัน ถ้าไม่มีร่างกายก็สบายมีนคือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่เราหลงเรายำอยากใช้ร่างกายอยู่มันก็เลยต้องมีร่างกายพอมีแล้ว ก, ก็ต้องมาทุกข์เนี่ยมาต่อสู้มาหากินทำมาหากินหาเงินหาทอง แล้วพอร่างกายมีกำลังก็พามาไปให้มันพามันพาเราไปเที่ยวเราอยากจะไปเที่ยวไหนก็สั่งมันให้ไปที่เมืองไทยไปที่ฝรั่งเศสมันก็ไปอยากจะกินอะไรก็สั่งมันให้ไปหามากินถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทามาหากิน ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเวลาแก่ดีไหยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เนี่ยดูพ่อนม่ที่เลิ้ยงปางแก่นี่เป็นเนี่ยลําบากเลยตัวเขาก็ลําบากตัวเราก็ลําบากนี่แหะคือเรื่องของร่างกายพิจารณาที่เรามีร่างกายแล้เพราะเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส อ, อยาก มีการมาตั้นหาเรามาหัดถือศีลแปด ก, กันมาเลิกใช้ร่างกายถ้าถือศีลแปด ก, ก็ไม่ใช้ร่างกายไปเที่ยวละไม่ใช้ร่างกายไปดูหนังฟังเพลงไม่ใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ใช้ร่างกายไปกินอาหารต่างๆกินง่อยกินกินหนเดียวกินครั้งเดียวก็พอถ้าเราถือศีลแปดได้ต่อไปเราก็เลิกใช้ร่างกายได้ เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเหมือนตอนนี้ลองเลิกใช้โทรศัพท์ดูสิลองเลิกติดต่อกับคนเมื่อไม่ติดต่อใครแล้วมังใช้โทรศัพท์ไปทไําไมนถ้าสบายไม่ต้องมาคอยช้านแบบมันเสียมันหายไปก็ไม่ต้องมาซื้อเครื่องใหม่มานี่ก็ต้องคอยดูแลคอยดูว่าอยู่ตรงไหนวางไว้ตรงไหนลืมหรือเปล่า เดี๋ยวลืมชาร์จแบตเดี๋ยวต้องชาร์จแบตด้วนยะคือร่างกายเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องเหมือนรถยนต์คันหนึ่งถ้าเราไม่ไปไหนมาไหนแล้วรถยนต์ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรดังั้นเรามาหยุดความอยากกันนะพิจารณาปัญญาเพื่อเราหยุดความอยากเมื่อเราหยุดความอยากแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทําอะไรอย่างที่เราทำกันนี้ทําแล้วได้อะไร ทำแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้สิ่งที่คุณทํามาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้หายไปไหนหมดแล้วเคที่ยวที่ไหนเคยกินอะไรเคยดื่มอะไรเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดแล้วก็เป็นแค่ความจํำนะแล้วทําวันนี้มันก็เหมือนกันทําวันนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปทําพรุ่งนี้มันก็หมดไปแล้วทำไปทํามาให้เหนื่อยหร่าแล้วทําแล้วมันอิ่มมันพอไหมไม่พอเองทำแล้วก็อยากจะทำนี่้าไม่ได้ทาก็ ก็ทุกข์อีกแต่ถ้าไม่มีความอยากทำแล้วมันก็สบายไม่ต้องทุกกับอะไรนี่แหละคือเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้กันต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็จะสอนเราว่าเรากำลังเรากำลังถูกหลอกถูกหลอกให้เหนื่อยหลอกให้อยาก หลอกให้ติดยาเสพติดเมื่อไหั้นะยาเสพติดมันดีไห ม, มเวลาเสพแล้วมันติดพอมันไม่ได้เสพมันทุกข์นะ<ม>แล้วถ้าไม่หยุดเสพมันก็ตายเสพมากๆเดี๋ยวมันก็ตาย<ม>อันนี้ก็เหมือนกัน<ม>อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีอะไรให้ทำต้องมีอะไรให้ดูต้องมีอะไรให้ฟังไม่งั้นเราจะทุกข์ ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอไหต้องทำอยู่เรื่อยๆทำไปจนวันตายทำไปจนวันที่ทำไม่ได้พอไม่ได้ทำก็ทุกข์อีกเวลาแกา่ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ทุกข์อีกออกไปต้องอยู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้ทำไมไม่เป็นคนแก่แค่ตั้งแต่บัต น, นี้ไปเลยอาจเป็นคนแก่แคเดี๋ยวนี้อาจเป็นคนตายแคเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าจะได้สบายถ้าเราเป็นคนแก่ได้เป็นคนตายได้เราก็จะไม่ทุกข์ เป็นคนเจ็บได้เป็นคนแก่ได้เป็นคนตายได้เราก็สบายที่มันไม่สบายเพราะมันอยากทําถ้าเราไม่อยากทําอะไรแล้วเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่อยากทําอะไรอยากจะอยู่เฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะทําอะไรทําไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาตายไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เดือดร้อนมาหัดมาหัดแก่มาหัดเจ็บมาหัดตายกัน โดยการนั่งสมาธิทําใจให้เฉยๆให้นั่งอยู่เฉยรักษาศีลแปดไปแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับเงินทองไม่มีเงินทองไม่ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่บ้านไปไม่มีเงินทองกินข้าวก็ปล่อยมันอดไปเดี๋ยวมันก็ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ดี ตายอ้วนหรือตายผอมมันก็ทำนั่นแหละถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันคนมีเกินก็ตายอ้วนคนไม่มีเกินก็ตายผอม <c oughs> อ น, นี่คือสิ่งที่เราจะควรจะมาพิจารณากันเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้เราจะกำจัดความทุกข์ตา่ตางๆให้หมดไปจากใจได้ ใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีจะเป็นหรือจะตายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจตอนนี้ใจหลงมาเป็นร่างกายก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกายไปใจยังต้องใช้ร่างกายอยู่ก็เลยเดือดร้อนเวลาไม่มีร่างกายจะใช้ถ้าเลอกใช้ร่างกายได้ลรวก็สบาย จบน ะ, ะคิดว่าจะให้พอแนละ้วจบนะยะทาวาเรวะหาปุราปริกปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังสุมังคิดว่เมวะสนิจจตุสพัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอะระโสยะธามมณิโจติอะระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวะธนสีลิสานิจจังุทธาปจายิโน จตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลังบ้านสันติธรรมอยู่ตรงไหนเน่ะห น, อ, นองแขงเจ้าค่ะไม่ใจค่ะถนนอะไรเอ่เอเพชรเกษมเจ็ดิบเจ็สิบเจก็เข้าได้เพื่ค่ะเข้าในซอยอยู่ในซอยเ่ย <73. S 2> ซอยเจ็บสามลซอยเจ็สิบห้าเออซอยเจ็ดสิบห้าก็เข้าได้แต่ว่ามันยึดยักหน่อยแต่บ้านเราอยู่ซอยเจ็ดสิบสามใช่ค่ะมันเจ็ดสิบเจ็ดบสามอ่เอมันอยู่ตรงซอยเจ็ดสิบสามแล้วมันก็ไปที่ซอยเจ็ดสิบเจ็ดได้อ่ะมันเข้าซอยเจ็ดสิบสามแล้วมันก็ไปออกซอยเจ็ดสิบเจ็ดได้ใช่แต่เลขบ้านนี้อยู่ในซอยเจ็ดสิบสามใช่ไหมเออเจ็ดสิบเจ็ดเจ้าเจ็ดสิบเจ็ดแต่เจ็ดสิบเจ็ดไม่มีทางเข้ามีค่ะ อาจารย์จะเข้าถังนั้นก็ได้ถ้าอาจารย์จะไม่ตาไปเมื่ไหร่เจาค่ะอ๋อไม่ไปหรอกเผื่อใครสนใจจะได้หลอยเข้าไปแต่เราไม่ไปหรอกาอาจารย์ให้เปอรบ้านสที่ทำไว้ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคนตก็บอกได้ตอนนี้คนที่ก็ติดตามทางบ้านเขาเผื่ท่านอาจารย์ผ่านไปทางนั้นนะอ๋อหมาเลขใช่สุด ศูนย์ปดหนึ่งค่ะอันนี้เบอร์ติดเองนะเจไม่ใช่ไหมถึงเลขบ้านเนี่ยเลขบ้านเหรอคะคงไม่ออกววนนีมั้งค่ไมไม่เผื่อคนเก็อยากจะไปทำบุญเนี่ยทุกต้นเดือนอาทิตย์ที่สองต้นเดือนใช่ไหมค่ะอาทิตย์ที่สองต้นเดือนได้บ้านจันทีทำบ้านจันทีทำทอยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดจำเลขบ้านไม่ได้บะได้หลังศูนแปดหนึ่งค่ะสามเจ็สองสี่สี่เจ็ดห จำบ้านเลขบ้านไม่ได้เหรออามันมันเปลี่ยนด้วยค่ะอ๋อไอ้สี่สิบเจ็ดเลขบ้านมองไม่เห็นนะคะท่านอาจารย์อ๋อเปนยี่สิบแปดทับเก้าหนึ่งะคะแล้วสังเกตได้ไหมง่ายไหมที่บ้านมีอะไรเนี่ยมีรั้วรั้วทาเป็นสีเหมือนโอนไปไหนนะสีโอนสีแบสีขี้โค้งเนี้ยนะคะสีกราทฐานเนี่ยค่ะสีขาวคล้ายๆือสิตที่ยังแยนเรียนแบบสีขาวแต่ว่ามันพีด มันก็เลยเป็นสีแบบออฟโคนโคนหน่อยคะสีแบบเหม็นไม้ๆอย่างเงี้ยเป็นกําแพงเงเป็นกำแพงยาวไปเลยเอาไปเลือกแม่จากปากซอยเข้าไปเออถ้าถ้าเจ็ดเจ็ดแต่ลึกแต่ถ้าเจ็ดสามไม่ลึกค่ะเดินเข้าออกได้อ่าค่ะอันนี้มันไอมันข้อมันมันมันอยู่ตรงมันได้สองซอยเลยทีนบ้านเนี่ยมันเมื่อก่อนยังไม่มาปลูกบ้านเนี่ยรถเข้าผ่านออกทะลุซอยกันก็ใช้ที่บ้านเนี่ยค่ะทะลุ ทำจริงมันอยู่ใกล้เจ็ดมากกว่า 7-7 นะใช่ค่ะถ้าจะเดินก็เดินเจ็ดสดีกว่าไปขอบคุณเจ้าค่ะสาธุทำบุญไปเรื่อยๆนะค่ะไปใส่บาตทุกวันหรือเปล่าใส่บาตรที่วัดโสไม่ไปเลยอย่าไปใกล้นะศรีกาศรีกาไม่ควรไปใกล้พระนะเดี๋ยว ปล่อยท่านอยู่ของ่นไปคิดว่าเป็นเป็นคนตัส่วนกันแล้วเหมือนกันถ้ามีโอกาสหรือว่ามีธุระท่จะต้องไปส่งของถ้ามีธุระค่อยไปะต่การงานเดี๋ยจะไปรบกวนใจเขาขับรถคนเดียวแต่ว่ามานัดกันมาอ่รู้จักกันไน ใครอยากจะถามอะไรจะถามว่าถ้าสมมติว่าเรานอนไม่หลับเนี่ยแล้วเราเปิดธรรมะฟังอะค่ะแล้วก็หลับไปเลยเนี้ยจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกดีไดฟังธรรมหลับไปกับธรรมะอไม่บาปหรอกฟังได้ัได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มันนอนฟังก็ไม่เหมาะแต่มานอนฟังนี้แล้วครอบครอบครอกนี้ไม่เหมาะ ถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรได้ได้แต่่เปิดทำงานได้ไหมทำงานบ้านทำไม่ได้หได้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องนั่งเฉยๆอย่างตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเราทํางานไปใจเราก็ต้องอยู่ที่ทํางานมันก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเข้าจะเข้าไปในใจบ้างไม่เข้าไปบ้างแต่มันก็ยังดีกับฟังเพลงฟังนิเกะฟังอะไรฟังการเมืองอะไรฟังธรรมะก็ กล่อมใจไปได้ได้นนญญไดเพียงแต่ว่าต้องอยู่คนเดียวมไม่ใช่อยู่ศาลาวัดแล้วก็ไปนอนอวันนี้เฟ e b o o k เข้ามาเท่าไหร่อันนีสสน้สูงสุด3 4มค่ะ340้สสทางยูทูสูงสุดจิบสามค่ะเ3สิบสาม คำถามจากคุณสติธรดค่ะเงินที่ไดจากการทาฟาร์มหมูนำมาทำบุญแบบนี้จะได้บุญไหมคะได้เงินทาบุญก็ได้บุญแต่บาปที่ทำก็ได้ ม, ม, มันก็บุญนี้ล้างไม่ได้เช่นถ้าเราทำฟาร์มหมูแล้วหมูมันตายเงี้ยเราเอาหมูไปขายให้เขาค้า่าเงี้ยเราก็ได้เงินจากการค้าเขาแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทำบุญเราก็จะมีมี มีเงินฝากในบัญชีบุญเหมือนกับเรามีบัญชีสองบัญชีมีบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้บัญชีเงินฝากกับเงินกู้เป็คนละบัญชีกันมันล้างกันได้ถ้าเป็นเงินแต่เรื่องบุญกับบาสมันล้างกันไม่ได้บุญก็จะส่งผลให้ส่งผลบุญบาปก็จะส่งผลบาปให้ ยังถ้าไม่อยากจะมีผลบาป ก, ก็อย่าไปทำบาปเปลี่ยนอาชีพซะขายอันอย่างอื่นแทนขายของใช้ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าอย่าไปขายหมูคําถามจากคุณอาการิโกค่ะถ้าอริยเจ้าในแต่ละองค์แต่ละภูมิธรรมถ้าหลุดทิตบุญกุศลให้แก่บุคคลต่างๆ คนที่ได้เท่ากานันหรือไม่อย่างไรครับคือบุญอุทิศนี่มันจะอุทิศได้แต่เฉพาะบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันสูงกว่าผู้ที่จะรับได้เพราะว่ามันเป็นคนที่รับนี่เขาไม่ได้อยู่ในจิตระดับที่จะรับบุญที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ เราจะได้รับแต่บุญในระดับาทานถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กเด็กเราจะให้ของขวัญอะนกับเด็กต้องให้ตุ๊กตาให้ขนมกินไปซื้อวิสกี้ให้เด็กกินซื้อไวน์ให้เด็กกินเด็กมันก็ไม่เอาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเวอร์ซาเซ่ให้มันใส่มันก็ไม่เอาเพราะเด็กมันอยากได้ขนมอยากได้ตุ๊กตาดวงวิญญาณที่ตายไปมันก็อยากจะได้ของที่เรา ทำบุญให้เขาไปนั่นแหละอย่าเขาอยากจะได้ของที่เราทําทานอาหารปัจจัยสี่อย่างเงี้ยเขาต้องการของพวกนี้บุญที่เกิดจากการทําทําทานทําวัตถุทานทำกับข้าวข้าวของเงินทองต่างๆคำถามจากคุณไข่ตุน๋นพระอาจารย์ครับคําว่าคงเป็นกรรมชาติที่แล้วส่งผลให้เป็นแบบนี้ คำพูดเหล่านี้ผมรู้สึกดูไม่แฟร์เลยครับจึงอยากเรียนถามว่าจะขจัดความรู้สึกเหล่านี้อย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วเราจำไม่ได้ครับก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับเป็นไปกันแล้วกันเราจำได้แล้วจำไม่ได้คือมันก็ไม่ในหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างนี้มันเกิดจากเหตุที่เกิดทาในชาติก่อน มันอาจจะเกิดจากเหตุที่เราทําในชาตินี้ก็ได้ไปด่าเขาเขาก็มาตีหัวเราได้อันนี้ก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากชาติก่อนแล้ก็เกิดจากชาตินี้เราไปด่าเขาเออช่วงนี้เล่นสงการกันเนี่ยสาดน้ํากันไปสาดน้ํากันมาเดี๋ยวเกิดโมโหขึ้นมาเดี๋ยวก็ตีกันถ้าไม่อยากจะตีกันก็อยากไปเล่นสงการอยู่บ้านมาฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้มันก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ ที่เราไม่อยากจะได้งั้นกรรมมันมีหลายหลยหลายชนิดหลายเวลากรรมนั้นที่เก่าแก่ที่ยังไม่เคยส่งผลมาหรือกรรมใหม่ที่เรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้มันก็มีเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลต่างๆให้กับเราทั้งดีและไม่ดีได้งั้นเราขอให้เรารับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกัน ถามจากคุณนัทธิดาเวลาฟังธรรมเหมือนจิตได้พักผ่อนทำสมาธิไปพร้อมกันฟังครั้งเหมือนเผลอหลับแต่ยังมีความรู้สึกตลอดเวลาเรียกว่าเข้าข่านสมาธิระดับไหนเจ้าคะก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นน้อคือบางทีฟังแล้วจิตมันสงบสติมันอ่อนมันก็เลยเคลิ้มเสียงอาจจะยังได้ยินอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องได้ยินแต่เสียงแต่จิตมันกำมันเข้าสู่ภาวะหลับไป ถ้าไม่หลับมันจะได้ยินเสียงจะเข้าใจตลอดเวลาว่ากําลังฟังอะไรอยู่คำถามจากคุณมะลิค่ะเพื่อนทํางานเกี่ยวกับเครื่องหนังบางครั้งผิดนัดส่งสินค้าให้ลูกค้าสองถึงสามวันถือว่าผิดคําพูดผิดสีข้อสี่ไหมเจ้าคะผิดเลยก็โกหกเข้าเลยถ้าไม่อยากจะผิดก็บอกเขาไม่แน่อย่าไปบอกว่าต้องได้ ได้ก็เหมือนกับว่าเรารับปากเขาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสัญญาอะไรกับใครเราต้องมีความมั่นใจว่าเราสามารถทำตามสัญญาได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องลงเล็กว่าไม่แน่ maybe fifty p e หรือบอกว่าถ้าไม่สุดวิสัยถ้าไม่มีอะไร uh, unseen circumstances ก็ ได้นี้ก็อย่างน้อยจะได้มีทางออกว่าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันสุดวิสัยเราจะได้ไม่ได้โกหกเขาเขาก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเขาจะได้ไม่ผิดหวังหรือไม่เสียหายเพราะบางทีเขาจะไปเขารับปากจากเราแล้วเขาจะได้ไปรับปากกับคนอือนน่นต่อเองเพราะงานบางทีมันทําต่อเนื่องกันใช่ไหมเหตุนพอเรารับปากกับเขาแล้วเขาก็ไปรับปากกับลูกค้าเขาอีกทีเดี๋ยวไม่ได้เขาก็โกหกไปด้วยกับเรา่ะ แต่คนฉลาดมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยรับปากเรื่องอนาคตเพราะว่าอนาคตไม่มีใครสามารถที่จะไปกาหนดได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนเจริเขาจะมักจะพูดว่าก็ไม่แน่นะก็แต่พยายามทําให้ได้ก็แล้วกันแต่ไม่ไม่ไม่รับปากร0อยเเซนำถามจากคุณสมศรีต้องไปเข้ากรรมฐ า, านในที่แห่งหนึ่งที่โยมเคยไปมาก่อน มีบททดสอบมาตลอดเลยค่ะกลัวา ม, มากๆแต่ก็ไม่เคยคิดหนีในขณะที่อยู่เก็บอารมณ์แต่พอออกมาแล้วก็ไม่อยากกลับไปอีกเพราะกลัวมากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะอยากจะก้าวข้ามจุดนี้ด้วยความเข้มแข็งจะทําอย่างไรดีคะก็ต้องยอมตายเท่านั้นเนอะเพราะอย่างมากมันก็แค่ตายที่เรากลัวอะไรทั้งหมดนี้มันก็เล็กๆมันก็กลัวความตายนี่เองยันถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายของเรา มันเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรามันเป็นเพียงแต่คนรับใช้เราเราใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆให้กับเราถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเรายอมให้มันตายแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวตายคาถามจากคุณวันคืนล่วงไป เราจะระ ง, งับความโมหะได้คือต้องมีสติตามให้ทันและปล่อยวางใช่ไหมครับใช่ต้องมีสติแล้วก็มีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตอนนี้เราหลงหลงคิดว่าเป็นของเราไปหมดมีอะไรก็เป็นของเราไปทันทีพอมันไม่เป็นของเราเราก็เสียใจและการฝึกสติให้เท่าทันนั้นต้องเริ่มการภาวนาให้มีกําลัง อันนี้ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับนั่นแหละก็ต้องฝึกสติต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่มีสติก็ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามกระแสะความคิดต่างๆเพราะกระแสะความคิดของเรามันเป็นกระแสะของความหลงของความอยากมันก็จะทำให้เราหลงไปเรื่อยเรื่อเราต้องหยุดกระแสะของความอยากของความหลงแล้วเราจะได้มีปัญญา คำถามจากคุณเลนนี่ค่ะการที่เราไม่ดีใจเสียใจกับคนที่เขามีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีหลานโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนี่ถือว่าเราเป็นคนไม่มีธรรมหรือเปล่าคะไม่หรอกเราอาจจะไม่มีความผูกพันอะไรกับเขาก็คนต้องเยอะแยะเป็นร้อยล้านคนเราไม่มีอะไรดีใจเสียใจยกับเขาเขาจะมีหรือไม่มีอะไร เพราะเราไม่มีความผูกพันอะไรกับเขาเราต้องดูคนที่เรามีความผูกพันว่าเราเฉยๆหรือเปล่ากนที่เรารักเนี่ยเราดีใจเสียใจไปกับเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจก็แสดงว่าใจเราไม่ผูกพันคำถามจากผู้ม่งประสงออกนามกับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องขันทั้งห้าโดยเฉพาะ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต่างกันอย่างไรคืออะไรเจ้าคะเพื่อเวลาฟังพระอาจารย์แสดงธรรมจะได้เข้าใจมากขึ้นรูปก็คือร่างกายของเราไงที่ทํามาจากดินน้ำนมไฟที่มีอาการสาสองที่เกิดแก่เจ็บตายนี่คือรูปรูปประขันแล้ววิญญาณอาขันนี่มีสี่นามขันมีสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันนี้เป็นอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่จิตมีวิญญาณขันส่งมาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาเชื่อมมาคอนเนคารับข้อมูลจากทางร่างกายวิญญาณขันก็มาเกาะที่ตาก็รับรูไปเกาะที่หูก็รับเสียงไปเกาะที่ลิ้นก็รับรสไปเกาะที่จมูกก็รับกลิ่นไปเกาะที่ร่างกายก็รับความรู้สึกทางร่างกายไป อันนี้เรียกว่าวิญญาณนักันเป็นตัวที่เชื่อมต่อใจกับร่างกายเพื่อที่จะได้มีการารับรู้ผ่านทางร่างกายได้ต้องมีวิญญาณนักันมามามาเกาะแล้วนอกจากมีตัวมารับรู้แล้วยังมีตัวมาสั่งการให้ร่างกายทำอะไรอีกตัวที่สั่งการก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นเดิน ไปกินน้าเข้าห้องน้าไปทำอะไรนี่ก็สังขารความคิดเรียกว่าสังขารเป็นแล้วก็สัญญาก็คือความจำเวลาเห็นรูปอะไรก็ถ้าจำได้ก็รู้ว่าออกคนนี้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเรียกว่าสัญญาเวทนาค็ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ เวลาเห็นรูปบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์เห็นรูปของเงินทองก็สุขขึ้นมาถ้าเห็นเงินไหลมาเี้เห็นเห็นรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็สุขพอเห็นรายจ่ายมันก็ทุกข์อันนี้ก็เกิดจากการที่เห็นอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ คำถามจากคุณปุกพาาาระอรหันต์มีเฉพาะประเทศไทยหรือคะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ทำการสำรวจเลยใครช่วยสำรวจหน่อยว่าพระอรหัานต์มีที่ไหนบ้างแม่ถามยังกะให้ตอบทุกคำถามได้ไหมดเลยคาถามจากคุณอันทนาค่ะถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุอาหารหันต์ได้ในชาตินี้ถ้าต้องเกิดอีก ขอเกิดให้เราไม่ลาบากไม่ยากจนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรูปร่างหน้าตาสวยงามชาตินี้เราต้องทําบุญอย่างไรเจ้าคะก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็ทําบุญเยอะๆอย่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามากเกินไปซื้อได้บ้างห้าสิบห้าบเที่ยวห้าสิบแล้วก็ทําบุญสักห้สไม่ใช่เที่ยว9กแล้วทําบุญแค่หนึ่ง อย่างน้อยต้อง 50, 50. ห้าสิบห้าสิบรือถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ทำบุญเก้าสิบที่ยวสักสิบซื้อรองเทา้าสักสิบก็พอคำ ถ, ถามจากคุณสมศรีพระอาจารย์คะที่บ้านมีปวดขึ้นจะค่าก็บาปจะทำอย่างไรดีคะก็มีคนรับอาสาค่าให้นี่ก็บอกเขาสิอย่าไปสั่งเขาก็แล้วกันถามเขาว่า บริษัทคุณทำอะไรที่บ้านเรามีตัวไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเขาอาลสาว่าไม่เป็นไรผมมาจัดการให้นี้ก็เรื่องของเขาเราไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ขอเขาให้ทำเขาอยากจะทำเองคำถามจากคุณเจ้าฮะค่ะถ้าตลอดชีวิตมีทั้งทำบุญและทำบาปแต่กำลังบุญมีมากกว่า เมื่อตายไปจะไปเสวยบุญถูกต้องหรือกล่าครับอ่ามันจะไปรับผลบุญก่อนแล้วพอบุญกับบาสมีกําลังเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนยังไม่ต้องไปใช้บาบแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายไปบาบมากกว่าบุญเม่อไหร่มันก็ไปใช้บาปทันทีคําถามจากคุณนัชะนน์จากผู้ฝักถามครับเดิมผมเป็นคนจิตใจดีคิดดีทดําดีชอบทําบุญทําทานนั่งสมาธิ แต่ทำไมบางทีคิดจ่าสิ่งศักสิทธิ์หรือแม้แต่พระอริยะขึ้นมาดื้อๆทั้งที่กำลังทำดีอยู่แท้ๆผมรู้สึกแย่มากๆครับพยายามข่มทุกครั้งเวลามันเกิดขึ้นแต่มันก็แหลงขึ้นมาจนได้อยากทราบว่ามันเกิดมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรครับก็มันเกิดจากอันดานเดิมอันดานเรายังชอบลบหลู่สิ่งต่างๆอยู่บางทีมันพอเกิดอารมณ์นั้นมันก็มันก็แสดงตัวออกมา วิธีจะแก้ก็ฝึกสติพอมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันอย่าไปปล่อยให้มันออกมาพอความคิดไม่ดีออกมาแล้วก็พุทโธพุทโธเหมือนกับเรามีก๊อกมีวาลพอความคิดไม่ดีก็ปิดมันไหมอันนี้เราไม่มีวาลพออะไรมาปั๊บมันก็ไหลออกมาไหลออกมาเองต่อไปความคิดไม่ดีนี้เราหยุดได้ด้วยสติพุทโธพุทโธพุทโธไป คำถามจากคุณฟ้าปิมาถ้าถือสิ่งแปดจุดเทียนหอมกรัญญานผิดหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่ผิดแล้วไม่ผิดจุดทูบเทียนเราไม่ได้มาบริโภคแต่ถ้าผิดตรงที่ว่าถ้าเราอยากจะดมมันเท่านั้นเน่ะถ้าจุดทูบเทียนผู้บูชาไม่เป็นไรแต่ถ้าจุดเพื่อให้ได้ได้ดมกลิ่นหอมอันนี้ก็ไม่ถูกคำ ถ, ถามจากคุณโมชา ขออธิบายเรื่องการเรียกกิจออกจากกายโยมมีความเข้าใจว่าเวลาที่นั่งปฏิบัติและเป็นเน็บคือรูเฉยๆว่าเป็นแต่ใจไม่เจ็บไปด้วยแบบนี้คือเข้าใจถูกไหมเจ้าคะคือเวลาร่างกายเป็นอะไรก็อย่าไปทําอะไรมันในเรื่องของร่างกายใจเพียงแต่ดูมันไปเหมือนหมอดูคนไข้หมอก็ดูคนไข้ร่างกายเป็นอะไรก็ดูไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเดียวมันก็หายเอง มันไม่หายก็อยู่กับความเจ็บไปนี่คือการแยกเวลาที่เราไปทำอะไรกับร่างกายนีแสดงว่าเราไม่แยกเราไปเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บล้วก็ขยับทำนู่นทำนี่แสดงว่าเราไปเป็นร่างกายนะถ้าเราเป็นใจแล้วต้องเป็นผู้ alia, รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บรู้ว่าร่างกายหิวรูอว่าร่างกายเป็นอะไรต่า ง, างๆแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรกับมันปล่อยมันไป ถามจากคุณยูริที่ฉันอยู่ต่างประเทศวัดก็อยู่ไกลบ้านมากที่ฉันขอแนวทางการปฏิบัติที่บ้านด้วยเจ้าค่ะก็เนี่ยแหละหัดฝึกสติตั้งแต่เตนขึ้นมาหัดพุดโทโธพุโทโธไปอย่าคิดอะไรให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็รักษาศีลหอย่าทําบาปถ้าอยากจะทําบุญก็ออมเงิน ไปทางผ่านทางมือถือก็ได้ออนไลน์ charity ออนไลน์ทำบุญได้อยากจะทำบุญวันไหนก็ก็โอนเงินให้กับวัดเมตรกับอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเราก็ทำไปให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้เจริญสติให้พุโทโธพุโทโธไปตลอดวันแล้วเวลาเราว่างแทนที่จะนั่งดูทีวี เมื่นั่งกินขนมเราก็นั่งสมาธิแทนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงคำถามจากคุณทักษิณาแม่ของหนูอ่านหนังสือไม่ได้แต่ท่านชอบฟังคาถาธรรมคำสอนเสมอแต่ตอนสวดมนต์ก่อนนอนแม่จะกังวลว่าสวดไม่ค่อยเป็นสวดไม่ค่อยถูกแล้วก็กลัวบาป อย่างนี้ควรบอกแม่ว่าอย่างไรให้ท่านสบายใจเจ้าคะก็เอาสวดสั้นๆแต่สวดหลายๆรอบก็ได้สวดบทที่จําได้เช่นสวดอาหังสัมมาสวัสดิาโตสุปติปันโนสวดไปหลายๆรอบสิบรอบร้อยรอบก็ได้ไม่บาปเราจำไม่ได้ผิดผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันมันไม่ดีเท่านั้นเองไปสวดอะไรผิดผิดถูกถูกสวดทั้งทีก็สวดให้มันถูก ก็ไม่ยากนี่ก็เอาหมดสั้นๆเนื้อถ้าให้สั้นกว่านี้ก็พุทธังสารังกชามิธรรมังสารังกชามิสังคั ง, งสารังกชามิไปเรื่อยๆก็ได้หรือถ้าจะสั้นกว่านั้นก็พุทธโธธรรมโมสังโคก็ได้หรือจะสั้นกว่านั้นอีกก็ได้เอาแค่พุทธโทธพุทธโทธคําเดียวก็ถือว่าสวดมนต์เหมือนกันมีเชอรานตอบมาอีกแล้วค่ะมากอดยูไอเดียอาจารย์โอเค ต้องถามจากคุณแจ๊ค่ะเป็นพระจะขอไปปฏิบัติที่วัดพระอาจารย์ต้องทํายังไงบ้างครับ อ, อ๋อยากพราที่นี่มันเต็มที่นี่มันไม่มีที่ส่วนใหญ่เขาจะต้องมาพักที่วัดญาณก่อนแล้วก็รอจังหวะมีเวลามีที่ว่างก็ค่อยขึ้นมาได้ที่วัดญาณบางทีก็เต็มเหมือนกันเพราะช่วงนี้มีการบวชถวายให้ในหลวงรัชกาลที่เก้า บวทีละเก้าสิบร้อยคนที่มันก็เลยไม่ค่อยมีกันก็ลองมาดูได้จะอยู่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาเขาก่อนส่วนข้างบนนี้ก็ขึ้นมาดูลาดเราได้มานั่งสมาธิชั่วคราวช่วงกลางวันได้อยู่แต่เวลาพักนี้ต้องไปพักอยู่ข้างล่างถ้ามีที่พักถ้าเขาให้พักหมดแล้วหมดแล้วนะก็ พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ